37ข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกตนขอนอบน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่องค์มหาโพธิสัตว์พระอวโลกิเตสวนพระผู้ปกป้องหมูม่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลาย เหล่าองค์พุทธะทุกๆพระองค์ผู้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งคุณงามความดีและความสุขอันเป็นบรมและท่านเกียวเซงุนชูท็อกเม่โพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันเมื่อท่านได้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วว่าทำทั้งหลายล้วนว่างเปล่าและปราศจากการไป การมาท่านจึงได้เพียรพยายามเพื่อการอย่างประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์เพียงอย่างเดียวและเพื่อการดำเนินตามแบบอย่างเช่นนั้นย่อมต้องอาศัยความรู้ในวิธีการปฏิบัติที่ถูกตรงซึ่งตัวข้าพเจ้าผู้ยังมีประสบการณ์อันน้อยนิดขอโอกาสเรียบเรียง สรุปหนทางแห่งการปฏิบัตินั้นจาก37สโลกธรรมแห่งการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ของท่านเกียวเซงูชูท็อกเมไว้เป็นแนวทางดังนี้ 1. เมื่อเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นโอกาสที่หายากยิ่งนักจงขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนตนเองด้วยการฟังการพิจารณาและการภาวนาให้มากโดยไม่เกียจคร้านเพื่อจะได้นำพาตัวเธอเองและผู้อื่นให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ยากในทะเลแห่งสังสารวัตรนี้ 2. ในความเคยชินเดิมๆของเธอนั้น ความยึดติดในบุคคลที่เธอรักเคลื่อนไหวราวกับน้ำความเกลียดชังต่อบุคคลที่เธอเกลียดลุกไหม้ราวกับไฟความมืดมิดแห่งอวิชชาปกคลุมให้เธอไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรดังนั้นเธอจงภาคเพียรให้มากเพื่อละทิ้งความเคยชินเช่นนั้นเถิด 3. เมื่อละทิ้งสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอารมณ์ที่รบกวนจะค่อยๆลดน้อยลงเมื่อไม่มีสิ่งยั่วยวนใจกุศลธรรมทั้งหลายจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อความตระหนักรู้เริ่มแจ่มชัดความเชื่อมั่นในพระธรรมจะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นดังนั้น เธอจงยินดีในความวิเวกสันโดษเถิด 4. เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนสนิทและญาติมิตรยอ่อมเหินห่างทรัพสมบัติและสิ่งของที่ได้มาย่อมถูกทิ้งไว้เบื้องหลังความรู้สึกและแขกผู้มาเยือนทั้งหลายย่อมทิ้งร่างกายนี้ไปดังนั้น เธอจงเลิกห่วงกังวลกับสิ่งทั้งหลายในชีวิตเหล่านี้เถิด 5. การครบคนผ่านจะทำให้พิษทั้งสามรุนแรงขึ้นการฟังการพิจารณาและการภาวนาลดน้อยถดถอยลงความรักและความเมตตาจะค่อยๆจืดจางหายไปดังนั้น เธอจงหลีกเลี่ยงการครบคนพาลเถิด 6. ด้วยการฟังคำตักเตือนของกาลยานมิตรความผิดพลาดของเธอย่อมมีโอกาสลดลงกุศลธรรมต่างก็มีโอกาสจะเพิ่มผูนขึ้นเราพระจันทร์ข้างขึ้นดังนั้นจงใส่ใจในกาลยานมิตร ย, ยิ่งกว่าใส่ใจในร่างกายของตน 7. พวกเขารวนติดอยู่ในคุกแห่งสังสารวัตรเทพพระเจ้าองค์ไหนจะปกป้องพวกเขาได้จากทุกแห่งสังสารวัตนี้เมื่อเธอจะอาศัยสิ่งที่ไม่ลวงหลอกสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่หายากจงอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเถิดแพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ความทุกข์ที่ยากจะทนได้ซึ่งคือความทุกข์ในนรกภูมินั้นเป็นผลจากบาปอากุศลดังนั้นเธอจงตั้งใจที่จะระวังตนเองไม่ให้ประกอบบาปอากุศลเถิด 9. ความสุขในโลกทั้งสามนั้นเป็นดังเช่นหยดน้ำบนใบหญ้ามันย่อมเสื่อมสลายไปในเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่ไม่แปรเปลี่ยนคือความหลุดพ้นอันสูงสุดดังนั้นเธอจงภาคเพียรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความหลุดพ้นอันสูงสุดนี้เถิด10หากมารดาทั้งหลายของเราซึ่งนับตั้งแต่อดีตชาติอันนับไม่ถ้วนที่รักและห่วงใยเราอย่างต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ ความสุขของเราที่กำลังมีอยู่จะมีประโยชน์อันใดดังนั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณมิได้ผู้เคยเป็นมารดาของเรานี้ให้หลุดพ้นเธอจงภาคเพียรพัฒนาตนเพื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นโดยเร่งด่วนเถิด 11. ความทุกข์ทั้งสิ้น ล้วนเกิดจากตัณหาความอยากที่จะทำให้ตนเองมีความสุขในขณะที่องค์พุท ธ, ธะทั้งหลายล้วนเกิดจากความปรารถนาที่จะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นดังนั้นเธอจงยอมเสียสละความสุขส่วนตัวของเธอเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เถิดสิบสองแม้ว่าเธอจะถูกปลน้นขโมยทรัพสมบัติ โดยบุคคลที่มากไปด้วยความโลภเธอจงอย่าได้ผูกใจโกรธแต่จงอุทิศร่างกายทรัพสมบัติรวมถึงบุญกุศลทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้แก่เขาเหล่านั้น 13. หากเธอมิได้มีความผิดเลยแม้แต่น้อย แต่กลับมีคนจะมาตัดหัวลงโทษเธออย่างไร้เหตุผลเธอจงอดทนและใช้พลังแห่งความเมตตาการุณาต่อความผิดบาปของเขาเหล่านั้น14แม้มีคนกล่าวร้ายทำให้เราเสื่อมเสียและกล่าวยกย่องตนเองด้วยคำพูดมากมายเธอจงอย่าได้ขุ่นเคือง แต่จงมอบความรักความเมตตาจากใจจริงและกล่าวชมบุคคลผู้นั้น 15. หากมีคนดูถูกเยียดยามและเปิดเผยความผิดพลาดของเธอต่อหน้าฝูงชนจงอย่าได้เครียดแค้นขุ่นเคืองแต่จงรู้สึกต่อบุคคลผู้นั้นดังเช่นกาลยานมิตร และให้ความเคารพนับถือเขา 16. หากคนที่เรารักและห่วงใยเรากับลูกทำกับเราดังเช่นศัตรูจงอย่าได้โกรธเคืองแต่จงรักบุคคลผู้นั้นมากขึ้นเช่นเดียวกับมารดาผู้รักและห่วงใยบุตรของตนที่กำลังเจ็บป่วย 17. แม้เธอถูกดูหมิ่นเยียดยามโดยบุคคลผู้ด้อยกว่าหรือเสมอกับเธอด้วยอำนาจแห่งความหลงตนของเขาจงอดทนอดกลั้นและให้ความเคารพนับถือยกเขาขึ้นราวกับครูอาจารย์ 18. แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ยากจนข้นแค้น ถูกผู้อื่นดูถูกเหยียดหยามทุกทรมานอยู่ด้วยโรคร้ายและถูกเหล่าวิญญาณชั่วร้ายรบกวนไม่ได้หยุดหย่อนจงอดทนอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นโดยมิท้อถอยหมดกำลังใจสิบก้าแม้ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายมีลาบสการะมากมาย ราวกับองค์เทพจงมองให้เห็นว่าความวิเศษของโลกเหล่านั้นช่างไม่มีแก่นสารอันใดจงอย่าได้เย่อหยิ่งอวดดีแต่ยังคงนอบน้อมถ่อมตนและให้ความเคารพผู้อื่นอยู่เสมอ 20. สหากเธอไม่สามารถชนะความโกรธที่เป็นศัตรูภายในได้ ยิ่งพยายามจะไปเอาชนะศัตรูภายนอกกลับยิ่งทำให้ปัญหานั้นลุกลามมากขึ้นดังนั้นจงหมั่นฝึกจิตของเธอด้วยอาวุธแห่งความเมตตาการุณาเถิด21อความพึงพอใจในความรู้สึกสัมผัสก็เหมือนกับน้ำเข็มที่ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งกระหายมากเท่านั้นดังนั้นเธอจงตัดใจและเลิกสิ่งที่มากระตุ้นให้ยึดติดนั้นโดยทันที 22. ปรากฏการทั้งหลายล้วนเกิดไปจากการทำงานของจิตซึ่งธรรมชาติเดิมของจิตนั้นปราศจากการปรุงแต่งเธอจงตระหนักรู้ชัดเช่นนี้ และไม่ปล่อยให้ความเห็นแห่งความเป็นคู่ผู้รู้และสิ่งถูกรู้รบกวนจิตใจของเธอยี่สิบสามเมื่อสัมผัสกับสิ่งที่พอใจจงมองให้เห็นว่ามันเป็นดั่งเช่นสายรุ้งในฤดูร้อนแม้ว่ามันจะดูสวยงามเพียงใดแต่ก็เห็นชัดว่ามันไม่ใช่สิ่งจริง และจงละวางความยึดติดในสิ่งนั้นเสีย 24. รูปแบบต่างๆของความทุกข์ก็คล้ายกับความตายของบุตรของตนในฝันการยึดติดในสิ่งที่ลวงหลอกเช่นนี้ว่าเป็นความจริงเป็นการทำให้ตนสูญเสียกำลังไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นจงมองให้เห็นว่า สถานการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจทั้งหลายนั้นล้วนเป็นเพียงมายา 25. หากว่าผู้ที่ปรารถนาความรู้แจ้งหลุดพ้นจำต้องเสียสละได้แม้กระทั่งร่างกายของตนแลววะวัตถุสิ่งของทั้งหลายเล่าจะไม่ต้องเสียสละหรอกหรือดังนั้นเธอจงหมั่นจเจริญเมตตาทาน ด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อโดยไม่ได้หวังผลอันใด 26. หากปราศจากวินยัยเธอจะไม่สามารถสำเร็จประโยชน์ตนได้มันยิ่งหน้าขันหากหวังจะยังประโยชน์ผู้อื่นดังนั้นเธอจงรักษาศีลและวินยัยโดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจทางโลกโลกเถิด 27. สำหรับนักปฏิบัติผู้มุ่งต่อคุณค่าความดีงามทุกๆสิ่งที่ทำให้เขาทุกยากใจเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าดังนั้นเธอจงเพาะบ่มขันติธรรมให้มากเพื่อทนให้ได้ต่อทุกๆุกสถานการณ์ 28. แม้เพียงเพื่อประโยชน์อันยิ่งของตน พระสาวกทั้งหลายก็ยังเพียรพยายามอย่างยิ่งราวกับดับไฟที่กำลังเผาไหมอยู่บนศีรษะของตนเมื่อเห็นเช่นนี้เธอจงเพียรพยายามให้ยิ่งกว่าในการสร้างสมคุณงามความดีเพื่อประโยชน์อันยิ่งแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย29เมื่อรู้ชัดว่า วิปัสสนาที่มีสมถะอย่างดีเป็นพื้นฐานเท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะกิเลสได้สิ้นซากดังนั้นเธอจงขยันหมั่นเพียรปฏิบัติสมถะให้สมบูรณ์เถิด 30. หากอาศัยเพียงแค่บารมีทั้งห้าโดยปราศจากเสียซึ่งปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มีทางบรรลุถึงความหลุดพ้นอันสูงสุดได้ ดังนั้นเธอจงเพาะบ่มปัญญาบารมีร่วมกับบารมีอื่นๆทั้งห้านั้นให้มากโดยปราศจากทิฐิทั้งสคือผู้กระทาสิ่งที่ถูกร ก, รกระทาและการกระทาเถิด31อหากเราไม่สารวจข้อผิดพลาดของตนเองด้วยธรรมแล้วนั่นไม่ใช่ทางเดินแห่งธรรมเลยดังนั้น จงหมั่นสำรวจตรวจสอบข้อผิดพลาดของตนอยู่เสมอแล้วแก้ไขมัน 32. หากด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเธอพูดถึงความไม่ดีของผู้อื่นตัวเธอเองก็จะเสื่อมไปด้วยดังนั้นจงอย่าได้กล่าวร้ายถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นผู้เข้ามาอยู่ในทางแห่งการปฏิบัติเลย สามสิบสามด้วยอิทธิพลของลาบยศและสรรเสริญจะทำให้เราละเลยเ้ินห่างจากการศึกษาปฏิบัติธรรมดังนั้นเธอจงอย่าได้ยึดติดในเพื่อนฝูงญาติมิตรและผู้อนุเคราะห์ในเรื่องโลกโลกทั้งหลายเลยสามสิบสี่สาสสการพูดหยาบคาย ย่อมจะรบกวนจิตใจของผู้อื่นและทำให้ศีลของนักปฏิบัตินั้นเสื่อมถอยดังนั้นเธอจงอย่าได้พูดคำหยาบคายอันเป็นที่ไม่พอใจของผู้อื่นเลย 35. หกิเลสที่เราคุ้นเคยย่อมยากที่จะแก้ไขด้วยยาแก้ความเพียนและสติสัมปชัญญะ คืออาวุธอย่างดีของยาแก้ทั้งหลายดังนั้นเธอจงจัดการกับกิเลสเช่นความยึดมั่นถือมั่นและอื่นๆในทันทีที่มันเกิดขึ้น36โดยสรุปแล้วไม่ว่าเธออยู่ณที่ใดไม่ว่าเธอกำลังทำอะไรเธอจำเป็นต้องมีความตื่นรู้อยู่เสมอ และกวรเฝ้าสังเกตจิตของเธอว่ากำลังเป็นอย่างไรและพากเพียรพยายามที่จะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นให้สําเร็จ37บบุญกุศลอันใดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์และการปฏิบัติเพื่อความรู้ที่แจ้งชัดในความจริงแห่งทิฏฐิทั้งสาม เธอจงอุทิศบุญกุศล น, นี้เพื่อความรู้แจ้งหลุดพน้นอันสูงสุดต่อไปเถิดเพราะว่าความเข้าใจของข้าพเจ้ายังมีน้อยนิดและข้าพเจ้าก็ศึกษาปฏิบัติมาน้อยจึงไม่สามารถจะเรียบเรียงให้ไพเราะเพราะพริง้งเป็นที่ถูกใจผู้รู้ทั้งหลายได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่า มันคือแก่นของการปฏิบัติอันเข้าใจได้ง่ายและลุ่มลึกอันเป็นแนวทางที่ดีของนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในสายหรือนิกายใดก็ตามแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการยากลำบากสำหรับผู้ซึ่งโง่เขลาเช่นข้าพเจ้าที่จะอย่างรู้เข้าใจทางเดินนี้ได้อย่างลึกซึง้งดังนั้นข้าพเจ้า ใครกราบขออภัยแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านโพธิสัตว์เกียรเ ซ, เซงูชูท็อกเม่สำหรับสิ่งที่ขัดแย้งไม่ถูกประเด็นและข้อผิดพลาดทั้งหลายอันอาจเกิดขึ้นจากการเรียบเรียงครั้งนี้ขออุทิศบุญกุศลอันเกิดจากงานชิ้นนี้แด่ผู้เกี่ยวข้องทุกทุกคนและเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ท่านเหล่านั้นจงเกิดดวงตาเห็นแจ้งในธรรมจนบังเกิดกำลังใจใหญ่ที่จะดำเนินตามพุทธยานแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่ออย่างประโยชน์อันยิ่งต่อตอนเองและสรรพสัตว์ทั้งมวลด้วยเถิดชะยะธรรมโมภิกขุ